คอลัมน์ธรรมะจักระผู้รู้ตอนที่6ถามขอบนหน่อยคือเป็นคนเข้าวัดช้าหรือเริ่มปฏิบัติช้าไม่ทันได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ดีนับว่าเป็นผู้อาภัพอับวาสนาสิ้นละเกินน่าอิจฉาคุณสันตินันที่มีโอกาสพบ ป, ปะและใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์จำนวนมหาศาลตอบความจริงคนเรายอมได้สิ่งที่สมควรกับตนเองเสมอหากเป็นเวลาก่อนหน้านี้ เรายังไม่สนใจธรรมะแม้จะพบครูบาอาจารย์ที่ดีเพียงใดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาในทางกลับกันอาจจะเกิดโทษซึ่ด้วยซ้ำไปเช่นเมื่อได้ฟังธรรมในขณะที่ไม่พร้อมจิตใจอาจจะเหมือนเชื่อโรคดื้อยาคือธรรมะอะไรก็รู้แล้วทั้งนั้นเวลาจะลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ว่าจะฟังธรรมบทใดก็คิดแต่ว่ารู้แล้วรู้แล้ว ธรรมะไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่จิตใจได้เลยบางคนอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดีแต่กิเลสเต็มหัวใจแทนที่จะได้ประโยชน์กลับก่อบาปกรรมให้กับตนเองก็มีผมผ่านสำนักกรรมฐานมามากก็พบว่าแลหลายสำนักจะมีคนประเภทนี้เสมอคือเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ในลักษณะเป็นกบเฝ้ากอบัวคือได้แต่เฝ้า แต่ไม่เคยได้กินน้ำหวานของดอกบัวเลยหมายถึงไปอยู่กับท่านแต่ไม่รู้รสธรรมจริงๆเลยที่แย่กว่านั้นบางคนคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์มากเข้าก็แสดงความชั่วหยาบของตนออกมาเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์หรือกระทาสิ่งที่ไม่สมควรต่างๆแบบเนี้ยก็มีให้เห็นอยู่เสมอเสมอพระเทวทัตนั้นถ้าท่านไม่ไปเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ท่านคงไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตอันนันตริยกรรมอันเนี้ยก็ไม่เกิดขึ้นนั่นขนาดเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแทานที่จะมีโอกาสทำดีให้ถึงที่สุดกลับกลายเป็นมีโอกาสทำบาปให้ถึงที่สุดพวกเราผู้ปฏิบัติจึงไม่ควร น, น้อยเนื้อต่าใจว่าเราไม่ได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีเช่นบางคนบ่นเสียดายว่าไม่ได้พบหลวงปู่ดูล เหมือนที่ผมเคยคิดน้อยใจตอนเด็กๆว่าไม่ได้พบหลวงปู่มั่นผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดีนั้นไม่แน่ว่าเราจะได้ดีเสมอไปมีพระรูปหนึ่งท่านอยู่กับหลวงปู่ดูลนมาตั้งแต่เด็กตอนเป็นเนนนั้นแทนที่จะสนใจการปฏิบัติธรรมกลับสนใจที่จะปรนิบัติ ด, ดูแลหลวงปู่ให้ยิ่งกว่าเนนองอื่น แต่ไม่ว่าจะพยายามปรนิบัติหลวงปู่อย่างไรหลวงปู่ก็ไม่เคยกล่าวชมเชยให้ชื่นใจเลยไม่เหมือนเน้นที่ขยันภาวนาจะได้รับคำชมเชยมากกว่าเน้นรูปเนี้ยขัดใจขึ้นมาจึงเขียนบัตรสนเท่ทิ้งไว้ตามกุติว่าหลวงปู่เหมือนเทวดาที่ไม่มีความเป็นธรรมและไม่ทราบว่าใครทําดีกับหลวงปู่บ้างก็เกิดเป็นที่ฮือฮากันขึ้นว่าใครนอกล้าล่วงเกินหลวงปู่ขนาดนั้น ด้วยระดับความสามารถของหลวงปู่นั้นทําไมจะไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนบัตรสนเทศแต่ด้วยน้ําใจที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาเมื่อทราบว่าเนนทําผิดเช่นนั้นท่านก็คิดอุบายผ่อนโทษให้เนนโดยเรียกเนนทั้งหมดมาประชุมกันแล้วประกาศว่าในวงเล็บสังเกตไหมครับว่าท่านไม่เรียกพระมาเลยวงเล็บปิดใครทําบัตรสนเทศเนี่ยเป็นบาปกรรมต่อตัวเองอย่างมาก เพราะงเกินครูบาอาจารย์ขอให้สารภาพเสียหากใครทำผิดและสารภาพหลวงปู่จะให้พรเนนตัวแสบอยากได้รับพรให้เหนือกว่าเพื่อนก็สารภาพออกมาว่าตนเขียนเองและขอขมาหลวงปู่หลวงปู่จึงให้พรว่าขอให้เจริญเจริญภายหลังเนอนองค์นี้กลายเป็นเจ้าขุนชั้นเทพทั้งที่อายุยังน้อยมากมีคนศรัทธามากมาย สร้างวัดได้ใหญ่โตมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าเพื่อนเนรด้วยกันในยุคนั้นเนรรูปเนี้ยมีญาติผู้ใหญ่เป็นพระนักไยศาสตร์ของเมืองสุรินแม้จะมีชื่อว่าเป็นสิทธิ์หลวงปู่แต่เขาไม่ได้ทำกรรมฐานแบบหลวงปู่หากแต่ฝึกฝนวิชาไยศาสตร์ต่างๆเช่นการเลี้ยงผีและการใช้ผีไปะสะกดจิตคนอื่นให้ยอมอยู่ในอานาจยิ่งนานวันพลังจิตก็ยิ่งแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ พออายุครบบวชได้บวชเป็นพระแล้วก็เป็นพระประเภทที่โกหกเป็นไฟเช่นบางคราวหยิบของของหลวงปู่ไปใช้โดยภรรการเมื่อหลวงปู่จําเป็นจะต้องใช้ของนั้นพระรูปนี้ก็จะบอกว่าตนไม่รู้ไม่เห็นหลวงปู่ถึงกับรําพึงออกมาดังๆว่าพระบางองค์ลืมถือสินห้าเมื่อพระรูปนี้ไปสร้างวัดขึ้นแถวสมุทรสงครามญาติโยมที่ไปทําบุญกับท่าน จะเต็ม อ, อกเต็มใจถวายเงินทองให้ท่านเพราะท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการสะกดคนอยู่แล้วเวลามีพระไปหาท่านที่วัดท่านจะรีบถามพระอคันตุ ก, กะว่ามีอายุพรรษาเท่าใดหากพระอคันตุ ก, กะบอกเท่าใดแล้วท่านจะบอกว่าท่านพรรษามากกว่าเสมอเพื่อเป็นฝ่ายรับการกราบไหว้จากพระอคันตุ ก, กะนอกจากนี้ยังแอบอ้างว่าตนเองคือ ท่านเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโทกลับชาติมาเกิดทั้งนี้เพราะพระป่าจะเคารพท่านเจ้าคุณอุบาลีมากเนื่องจากอาวุโสกว่าหลวงปู่มั่นเสียอีกแม้แต่ที่วัดบูรพารามท่านรูปเนี้ก็นำรูปของท่านเองไปตั้งไว้คู่กับรูปหลวงปู่เพื่อให้คนเคารพกราบไหว้หลวงปู่พร้อมกับท่านด้วยเสมอท่านรูปนี้แหละที่ก่อความอื้อเฉาเกี่ยวกับการขอสมณศักดิ์ คือวิ่งหลอกทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีจนตนเองได้สมณศักดิ์ชั้นเทพทั้งที่อายุยังน้อยแม้จะมีความเจริญในสมณเพศตามพรที่หลวงปู่พยายามจะให้แต่เมื่อเรื่องของท่านเริ่มจะอื้อฉาวขึ้นทุกทีเพราะกรรมของท่านในที่สุดก็ลาสิกขาออกไปเดินสายตามนักการเมืองเที่ยวหาเสียงในขณะเนี้ยแล้วก็สร้างข่าวใหญ่เรื่องให้หวยแม่น ก็อย่างที่ผมกล่าวมานั่นแหละครับคนที่อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดีไม่จำเป็นว่าจะต้องดีเสมอไปไม่เฉพาะรายนี้นะครับสำนักใหญ่อื่นๆก็มีคนประเภทเนี้ยแอบแฝงอยู่เหมือนกันถึงขนาดบางสำนักพอสิ้นครูบาอาจารย์แล้วทั้งชาวบ้านรอบวัดและสิทธิ์ร่วมสำนักไม่ยอมกลับไปเหยียบวัดของอาจารย์อีกเพราะไม่อยากคบค้ากับพระประเภทนี้ก็มีเหมือนกัน ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อบอกกับพวกเราสองประการคือประการแรกการที่พวกเราเริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมในขณะที่พระพุทธศาสนายัางดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์นับว่าเป็นวาสนาอย่างยิ่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเสียดายว่าไม่ได้พบครูบาอาจารย์องค์นั้นองนี้เพราะเราได้พบตัวแทนพระพุทธเจ้าคือพระธรรมอยู่แล้วประการที่สอง การจะเข้าวัดกระทั่งวัดป่าจะต้องรู้จักพิจารณาให้รอบคอบเพราะของปลอมมีมานานแล้วครับโดยเฉพาะผู้หญิงทั้งหลายนั้นต้องรอบคอบให้มากหน่อยอย่าให้ความศรัทธานำหน้าปัญญาเป็นอันขาดเพราะพอหลงศรัทธาแล้วก็มักทำบุญหนักกว่าผู้ชายเสยอีกทำบุญแล้วได้บำรุงพระศาสนาก็ดีไปเกิดเอาไปบารุงอลัชชีเข้าประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มเสียครับ สันตินันหรือพระปราโมทปามโมโชในปัจจุบันบทความจากธรรมะใกล้ตัว อ, อ่านโดยอนุสอนตรีโสภา27มิถุนายนพุทธศักราชสงองพันห้นร้อยสี่ด้วยไฟ เชื่อไฟทิสิ้นจุดลงสิ้นทาง